เอตัวรอดได้ก็ฝึกเอานะถ้าเราไม่เห็นสภาวธรรมนันแรกเลยไม่เห็นสภาวธรรมเนี่ยไม่ใช่วิปั ส, สนาเห็นสภาวธรรมแล้วก็เห็นมันนิ่งๆไปเพ่งไปจ้องอยู่ก็ไม่ใช่วิปั ส, สนาเห็นสภาวธรรมเกิดดับเกิดดับไปเรื่อยๆเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยอันนี้เป็นจุดตั้งต้นของวิปัสนานเรียกว่าอุทยพ ย, ายาัญาณพอเห็นไปเรื่อยเห็นไม่ว่าอะไรเกิดนั้นก็ดับ เกิดอะไรแล้วก็ดับดับดับดับเรียกว่าพังขยานนะถัดไปนั่นใจมันจะเริ่มเข้าไปสู่ความเบือ่อบางคนรู้สึกเบือ่อเวลาเบื่อเนี่ยเบื่อทุกสิ่งเหมือนๆกันเบื่อสุขกับทุกข์เท่าๆกันเบื่อดีกับชั่วเท่าๆกันนะเบื่อภายในกับภายนอกเท่าๆกันเบื่อหยาบกับละเอียดเท่าๆกันทุกอย่างเท่าเทียมกันเบือ่อนะใจเป็นกลางไม่ใช่ว่าจะเอาอันหนึ่งเกลียดอันหนึ่งนะ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 จำไม่ได้ไว้หลังหรือฮวงโปนะท่านบอกว่ามนุษย์ทั้งหลายนี่มันรักตัวเองกลัวว่าตัวเองจะไม่มีกลัวตัวเองจะร่วงหล่นไปสู่ความว่างงั้นถ้าไม่หยิดหยิบฉวยรูปธรรมก็ต้องหยิบฉวยนามธรรมาเอาไว้ต้องยึดเอาไว้ซะนหน่อยหนึ่งไม่ยึดแล้วก็อยู่ไม่ได้ทนไม่ได้กลัวว่าตัวเองจะร่วงหล่นไปนี่เราเฝ้ารู้เฝ้าดูนะเราพบว่าวันหนึ่งนะยิ่งเราทิ้งได้นะั่นแหละเรายิ่งมีความสุข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 เรามีแต่จะพากายพาใจหนีทุกข์ท่านก็ บ, บอกว่ากายกับใจเป็นตัวทุกข์แ้วท่านให้สลัดคืนกายคืนใจให้โลกไปก็พ้นทุกข์ของเรามีแต่ว่าจะต้องกีดกันไม่ให้สิ่งที่ไม่ดีมากระทบกายกระทบใจึ่งกันไม่อยู่บางทีก็กันได้บางทีก็กันไม่ได้คือความสุขที่เราดิ้นรนค้นคว้าหานะมันเลยอยู่ชั่วคราวทั้งหมดเลยแต่ถ้าเนี่ยรู้ลงมานะมันทุกข์ล้นล้นกายก็ทุกข์ใจก็ทุกข์มสลัดทิ้งนะก็ลกลับพ้นทุกข์นะเรื่องแปลก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 ชอบอ่านหนังสือท่านอาจารย์พุทธทาสไม่ใช่ท่านไม่ดีนะท่านก็ดีแหละแต่เรามันโง่เองอ่านแล้วไม่เข้าใจตีความแบบผิดๆตีความว่าตายแล้วศูนย์ยอะไรเงี้ยตีความว่าผีไม่มีเทวดาไม่มีชาติหน้าไม่มียอะไรเงี้ยนี่พวกมิจฉาทิฏฐิทั้งหมดเลยวันหนึ่งบุญนะไปเจออาจารย์สูชิปุญญานุภา พ, พาไปทํางานกับท่านตอนนั้นท่านเป็นกรรมการศาสนา อนุกรรมการศาสนาอยู่ในกรรมการเอกลักษณ์แห่งชาติอยู่ที่ทำเนียบไปเจอท่านเจอท่านอาจารย์ประยุทธ์เจออะไรเงี้ยท่านมากันพวกนักปราดทั้งหลายเราเด็กโง่เหมือนมัวเหมือนกไอยนะเข้าไปอยู่ใกล้นักปราดนะเลยได้ความรู้ความเข้าใจเราไปพูดโง่ๆไปให้ท่านได้ยินเข้าว่าตายแล้วศูนย์ท่านมองหน้าเลยนะแล้วท่านกวักมือเดี๋ยวเลิกประชุมแล้วคุยกันหน่อย คุยกันหน่อยนะพอเลิกประชุมแล้วคลานเข้าไปหาท่า น, นเขารบท่านเหมือนท่านเป็นพระวงหนึ่งอาจารย์ปุชรุชีปุญญาณุภาพที่เขียนพระไตรปิฎกประชาช น, นเข้าไปกราบท่านเลยนะกราบท่านท่านบอกว่าคุณไม่ฉาติทิฏฐินะพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนอย่างนั้นเสร็จแล้วท่านก็ยกพระไตรปิฎกจําพระไตรปิฎกได้เยอะมากเลยนะ <S <S เล่มนี้หน้านี้นะหัวข้อนี้ว่ายอย่างนี้ท่องบาลีก่อนแล้วแปลไทยด้วย คนไรก็มโนอาสัญนะเราฟังฟังไปเฮ้ยเราเป็นมิจฉาทิฏฐิจริงๆนะท่านแก้ให้นะเสร็จแล้วโอ้ทาไมอ่านหนังสือท่านอาจารย์พุทธทาแล้วเป็นมิจฉาทิฐิได้มีเวลานะลงไปกราบท่านไปกราบท่านนะแล้วก็ท่านก็มานั่งที่เก้าอี้หินท่านอนะ่ะเก้าอี้นั้นท่านนั่งองค์เดียวเต็มเลยนะ <laughs> พาท่านมานั่งปุ๊บไอไก่ไม่ยมอมเกาะ ไม่รู้เอกลักษณ์ของท่านนะต้องมีไก่เป็นพาหนะครับฉวยโอกาส น, นั่งใกล้ท่านก็ น, นวดท่านไปด้วยขยับน้องท่านนวดนวดแล้วก็ชวนท่านคุยนะถามนวดถามนี่เสร็จแล้วถามท่านท่านอาจารย์ครับท่านอาจารย์เขียนบอกว่าตายแล้วศูนจริงเหรอท่านมองหน้าคุณเห็นเราเป็นมิจฉาทิฏฐิหเหรอ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 เห็นไหมฟังแค่นี้ก็เริ่มยอมรับสภาพแล้วใช่ไหมว่ามิจฉาทิฏฐิ <c oughs> ค่อยฝึกนะวิธีที่จะเกิดสัมมาทิฏฐิจริงๆก็ต้องดูกายดูใ จ, จเจริญสติปัฏฐานไม่มีวิธีอื่นหรอกต้องจเจริญสติปัฏฐานรู้กายรู้ใจร่ำไปรู้จนมันพอนะช่วงไหน ร, รู้ไปแล้วจิตใจฟุง้งซ่านขึ้นมาต้องทำความสงบเข้ามาให้จิตใจมีความสงบให้จิตใจมีความสุขให้จิตใจได้พักผ่อนให้จิตใจผ่อนคลาย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 รู้ด้วยสติคือรู้ถึงตัวสภาวะของมันรู้ด้วยปัญญาก็จะเห็นลักษณะของมันรู้ด้วยสติก็คือเห็นสภาวะเช่นความโกรธเกิดขึ้นเห็นความโกรธโผล่ขึ้นมารู้ด้วยปัญญาก็คือเห็นว่าความโกรธนั้นไม่เที่ยงความโกรธนั้นเป็นทุกข์ความโกรธไม่ใช่ตัวเราบังคับไม่ได้ ai, ห้ามไม่ได้รู้ด้วยปัญญาก็คือเห็นไตรักนั่นแหลนะรู้ด้วยสติก็เห็นรูปนาม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 ผู้ที่ตกลงในกระแสน้ําแห่งสมาธิฏฐิแล้ววันหนึ่งจะถูกพัดพาไปสู่ทะเลสู่มหาสมุทรคืนิพพานแต่ขนาดนั้นนะขนาดว่าตกกระแสธรรมแล้วเนี่ยยังมีอุปสรรคขัดขวางรายทางได้อีก78อย่างนะเพราะฉะนั้นบางคนตกกระแสธรรมแล้วยังใช้เวลาอีก7ชาติกว่าจะถึงทะเลนะแต่ถ้าคนทั่วๆไปเนี่ยถ้าพูดธรรมะให้ลดระดับหน่อยนะไม่ถึงขนาดพระโสดาบันเอาคนทั่ ว, วไปบางคนเน่าใน ทูศีลนี่พระโสดาบันไม่มีเพราะงั้นธรรมะอันนี้ท่านก็เซตเทศไว้ไหลายนัยยะนะเวลาทำที่ท่านแสดงเนะี่ยความเข้าใจของคนที่ฟังก็จะรู้ไปตามชั้นตามภูมิคนยังมีกิเลสอยู่ก็ฟังแล้วก็เข้าใจอย่างนี้คนที่เป็นพระโสดาสกาุทาคาพระอนาคาฟังแล้วเข้าใจอย่างนี้คนที่เป็นพระอรหันต์ฟังแล้วเข้าใจอย่างนี้ความเข้าใจในธรรมะที่ประโยคเดียวกันนี่แหละแตกต่างกันเงั้นพระพุทธเจ้าท่านเ อ, อื้อเฟือนะธรรมะท่านครอบคลุมเพราะง้นอย่างสัมมาทิฏฐิ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 อดทนอันที่สองนะอดทนต่อความยากลําบากทางร่างกายนะอย่างบางทีจะมาเรียนใช่ไหมต้องตื่นนอน <c oughs> ต้องเบิงตาเห็นไหมมันตื่นไม่ขึ้นนะีต้องทรมานนะอุตส่าห์มาภักเพียรมาเนหน็ดเหนื่อยนะมาเรียนได้ชั่วโมงกว่าๆขับรถกลับบ้านไปแล้วเนื่อยเสียเวลาเป็นหนึ่งวันเนะหนื่อยนะต้องอดทนต่อความลําบากทางกายอดทนต่อ ก, กออิเลสนี่ตัวสําคัญเลย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 ถ้าขาดสิ่งเหล่านี้อย่ามาพูดเลย่าจะอยากได้มรรคผลนิพพานไม่ได้อยากจริงอยากแต่ปากอยากแต่เวลามาพูดเอาใจหลวงพ่อนะว่าหนูอยากนิพพานพูดเอาใจเรารับหลังเราไปช้อปปิ้งเพลินเลยเช่ไหมต้องสู้นะต้องเด็ดเดี่ยวไม่มีอะไรสำคัญเท่าอดทนเลยหลวงพ่อไม่ใช่คนเก่งนะแต่หลวงพ่ออดทนอดทนในการเรียนรู้ตัวเองอดทนมากเลยนั่งรถไฟมาจากสุรินทนระ์มาถึงกรุงเทพนะ หลุดออกมาได้ขณะเดียวดีใจแล้วเออดีนี่พัฒนานะอีก7วันนะั้นไม่เคยหลุดมาเลยนน่นดูทุกวันเลยทํายัางไงมันจะหลุดออกมาได้รู้ตัวขึ้นมาได้อีกสักขณะหนึง่งดูอยู่ตั้งเจ็ดวันหนะลุดออกมาได้ 2- อสแว็บอ้อดีนะดีปลอบมันนะเนี่ยเห็นไหมมีพัฒนาการแล้วหลุดออกมาได้ตั้ง20วินาทีอะไรเงี้ยนะทำอยู่7วันเดี๋ยวทำอีก5วันหยุดมาได้5หลุดมาได้5นาทีอ้อดีล้ดีแล้ว พวกเราต้องสู้นะต้องอดทนไม่มีอะไรสําคัญถ้าอดทนเลยกระทั่งการภาวนาจนกระทั่งในขั้นที่ละเอียดขึ้นไปเนะี่ยก็ต้องอดทนมากเลยอย่างเราภาวนาไปนะดูไปปุ๊บจิตว่างหมดละโลกธาตุนี้ว่างสว่างเห็นทุกสิ่งทุกอย่างราบเสมอเป็นหน้ากลองหมดเลยมีแต่ความสุขอยู่ตรงนั้นแหละแต่และ ว, วันก็เป็นอย่างนั้นอีกแต่และ ว, วันก็เป็นอย่างนั้นอีกต้องอดทนนะต่อความสุขตรงนี้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 ก็ไปหลงอยู่ที่โอเอซิสตั้งนานนะไม่กล้าไปต่อไม่ได้นะเราไปอยู่โอ้ตรงนี้และมีความสุขและพ้นทุกข์ไม่มีอะไรแพร่ผ่านได้เลยใครมาว่าอะไรก็ไม่สนใจนะมีแต่ความสุขล้วนๆเหมือนเราอยู่ในโอเอซิสแล้แต่เรารู้พอเรารู้ว่านี่เป็นแค่โอเอซิสต้องกล้าทิ้งนะเพราะฉะนั้นใครภาวนามาจะวิเศษวิโสแค่ไหนถ้ามันยังไม่พ้นทุกข์ก็อย่าไปติดอยู่ในภพอันนั้นนะ